วันนี้รถมันมาเร็วมาเร็วเลยเหนื่อยพวกเราพอหนาดีขึ้นเยอะเลยนะใจเราโดยภาพรวมนะใจเราเปลี่ยนไปเยอะแล้วใจเราตื่นจิตใจสว่างสบายคือการภาวนาเนี้ยถ้าเราทาไปตามยถากรรมสเป ส, สปาไปเรื่อยๆ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 จิตมันเกิดดับเป็นขณะขณะขณะไปเนียนี่เราดูไม่เห็นเราต้องค่อยค่อยฝึกนะค่อยค่อยพัฒนาพัฒนาอะไรพัฒนาเครื่องมือสองอย่างที่จะทำให้เรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้นะอนัตตาเนเป็นความจริงอันหนึ่งนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นความจริง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 จิตมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาเบื้องต้นเป็นปัญญาระดับพระโสดาบันเห็นว่าไม่มีตัวเราในกายในใจนี้ไม่มีตัวเรานอกเหนือกายนอกเหนือใจนี้ไม่มีตัวเราในที่ไหนเลยนะปัญญาเบื้องปลายก็จะเห็นนะกายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์จะเห็นเป็นทุกข์ล้วนๆนะจิตจะไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจพอไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจนะจิตก็ปล่อยกายปล่อยใจทิ้งเรียกว่าพ้นจากรูปนามพ้นจากกายจากใจก็ <asteroid ocate S 2> จะไปเห็นนิพพาน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 เสียเวลาเปล่าๆหลวงพ่อภาวนาทําไมกล้าพูดอาหารเหลือเกินม่าเพ่งลูกเดียวไม่ได้กินเพราะหลวงพ่อเพ่งอยู่22่สิบปีตั้งแต่ปี25งพนสองะเพ่งมาเรื่อยๆเลยเพ่งเก่งนะใครยัมาแข่งเพ่งกับเราเราสู้ตายเลยแต่เนี่ยเพ่งเรียกว่าแข่งโง่กันเพงเพ่งเพงให้มันนิ่งๆจนปี25ดูสิอดทนเพ่งอยู่ได้จนปี25งห้านะ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 เดีนะ๋ยวเกิดที่ตาแล้วก็ดับที่ตาเกิ<ๆ>ดที่หูดับที่หูเกิดที่ใจดับที่ใจเนี่ยวนเวียนอยู่อย่างนี้เฝ้ารู้อยู่ในกายในใจอย่างนี้แหละดูไปเรื่อยวันหนึ่งก็เห็นว่าไม่มีตัวเรานะใช้เวลาไม่มากหรอกที่ใช้เวลามากก็ทําทผิดนะนั้นถ้าพวกเราภอนาไม่ผิดนะภาวนาถูกหลักสามารถมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ไม่เผลอเผลอก็ลืมกายลืมใจไม่เพ่งเพ่งก็ไม่รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเพราะกายก็นิ่งใจก็นิ่งนะ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 เห็นไหมไม่มีวิธีทําให้สติเกิดหลวงพ่อประโมทไม่สามารถทําให้พวกเรามีสติได้แต่ถ้าจิตของพวกเราจําสภาวะได้แม่นสติพวกเราจะเกิดเองบางคนบอกหลวงพ่อนี่อภินหานมากนี่ถ้าหลวงพ่อไปทําพระเครื่องขายแนละ้วรวยไปนานล้นะรวยรวยไม่รู้เรื่องเลยละ่ะลูกศิษย์วัดหลวงพ่อนะั้นมันชอบลถคว่ำแล้วมันไม่เป็นไรสักลายหนึ่งนละถคว่ำลดหงายลดหมุนเนี่ย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 เนี่ยน่าสงสารเนั้นโดยพื้นฐานเนะพวกเราพวกรวดเร็วรุนแรงสมกับเป็นชาวเมืองเราหัดดูจิต ด, ดูใจเนีมันเหมาะพัจริตนิสัยของเราฝึกไปเรื่อยนะหัดดูดูรัตติเกิดพอขับรถรถจะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสติเกิดเองรถกําลังหมุนน้หมุนกี่ตลบเนี่ยรู้หมดเลยมีสติการที่เรามีสติอยู่นี่มันช่วยป้องกันอันตรายได้หัวกาลังจะโขกตรงนี้ก็หลบซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ย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 หน้าตาพวกเราส่วนใหญ่ทำฌานไม่ได้เพราะใจร้อนนะทำฌานก็ทำกันแรมปนะีต้องเปลี่ยนชื่อเป็นแรมปีแรมเดือนนะแรมทศวรรษหนะ่งนะนี่พวกเราใจวักแกวกวๆกแวกเนี่ยเราทำฌานเต็มรูปแบบไม่ไหวนะเราก็ทำสมาธิ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 ดีวันนี้มาเร็วได้ยินกร่านมรดกการหลวงพ่อค่ะหนูมาสารวัตรวิชินเป็นครั้งที่สามนะคะส่งกันส่งรายชื่อตลอดแต่เพิ่งจะถูกจับได้ค่ะตอนนี้รู้สึกตื่นเต้น <c oughs> ค่ะเมื่อก่อนเคยปฏิบัติโดยการสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตานะคะแล้วก็ได้ไม่ได้มีโอกาสได้พบทีมของคุณจูนกับหมอนัฐที่ไปนครสวรรค์ค่ะก็ได้ได้ส่งกันกันบ้านกับคุณจูนบอกว่า ติสมถะอยู่นะคะตอนนั้นอันนี้ก็ตอนนั้นได้ฟังตีดีหลวงพ่ออยู่ประมาณอา <S 2> 2 <S สนะองเดือนตอนนี้ขณะนี้เป็นยังไงตอนนี้<ม>จิตใจรู้สึกว่ากุ้งซ่านนะคะเห็นกิเลสล่อยไหมแต่และ ว, วันบางวันเนี่ยก็จะถ้ามากิเลสแบบแรงๆสมมติว่าเป็นโทสะอย่างเงี้ยนะคะโกรธจะรู้คะ่ะแต่ว่า<ม>พอรู้แล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันจะหลังจากรู้แล้วความโกรธหายไปก็จะว่างๆอยู่ะคะ่ะ<ม>อย่าไปพอใจในความว่าง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 กลับนมัสการครับอาจารย์ครับผมมาที่สราราลุงชินคราวที่แล้วปรเดี๋ยวหลวงพ่อฟังไม่ออกเอาดังๆเลยครับอาจารย์ครับไม่ต้องพนมมือเอาอย่างนี้เลยเท่ๆเออผมมาที่สราราลุงชินอประมาณครั้งที่แล้วสิบสามเดือนครับเ อ, อผมมากราบขอคําแนะนําครับอาจารย์รขอคําแนะนําครับ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 ดูไม่ค่อยทันนะคะต้องไม่ทันค่ะนะโกรธไปก่อนแล้ว ร, รู้ว่าโกรธรอบไปก่อนแล้วรู้ว่ารอบหลงไปก่อนอรู้ว่าโกรธกับหงุดหงิดกับลูกอะไรอย่างเงี้ยจะ <เอ S 1> จะจะทราบะะดีดีนะเราฝึกกรรมฐานกับลูกนี่แหละดีค่ะแต่ว่าใจห ง, งุดหงิดแล้วรู้ทันหงุดหงิดแล้วรู้ทันแต่ว่าโยมมีความทุกข์เรื่องลูกลดูแล้วมันก็ไม่หายอะเราไม่ได้ดูให้หายลูกคือเรียนสําเร็จแล้วแล้วก็ไปอะค่ะก็คิดถึงอยู่ตลอดอะค่ะ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 อาว่าไงก็ได้เดิมปฏิบัติสมถะมาหลายปีเลยอ่มแล้วก็มันได้ฟังซีดีของพ่อก็สังเกตไปใจมันก็เริ่มเปลี่ยนแล้วนะใจมันเริ่มตื่นขึ้นมาหลวงพ่อไม่ได้แกล้งว่าใช่ไหมกรรมฐานที่ทํามาเก่ามันสมถะจริงๆริงเฮ้งอย่างเห้งลูกเดียวเลยนะแล้วก็เครียดไม่มีประโยชน์อะไรหรอกอย่างตอนเนี้คุณเริ่มเห็นแล้วว่าทุกอย่างมันไหลไปไหลมา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 เร า, บ, ารบังคับทุกคนให้ปฏิบัติเหมือนกันหมดมันไม่ถูกหรอกมันทําไม่ได้ลูกดูจิตดูจิตอยู่นี่ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วขอบคุณมันเห็นทั้งกาย mm hmm. เห็นทั้งจิตแล้ว mm hmm. สติมนาัตโนมัติขึ้นมาแล้วรู้ไปเรื่อย mm hmm. ๆนะเขาสอนอะไรเราก็ทําเป็นฟังๆไปอีพิเถียงเขานะเสียเวลาแล้วเราก็ดูใจของเราไปโอ้ยสอนอย่างนี้ไม่ถูกหรอกเนี่ยเราจะรู้ต่อไปนี้จะรู้แล้วว่าใครสอนถูกหรือใครสอนผิดเมือจิตมันตื่นขึ้ น, นมาแล้วฟังปุ๊บก็รู้แล้วว่าอันี่ไม่ใช่หรอก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 เวลานั่งสมาธิอะค่ะหลวงพ่อเวลาจิตรวมอะค่ะอืใช่ไหมคะจิตรวมก็อันหนึ่งเห็นในตัวไหวๆเห็นตัวที่คิดขึ้นมาเนี่ยมันคิดของมันไปใช่ใช่บางครั้งก็รู้ทันไหมคะก็รู้ทันแต่ตัวเราพอกจากสมาธิแล้วเนี่ยไม่รักษาตัวเนี้ยไว้ไม่รักษาตัวรู้นิ่งๆนี่ไว้ยังรักษาอยู่อ๋อต้องวางตัวนี้เลยเหรอคะวางไปเลยไม่งั้นนะจะเห็นทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ยกเว้นจิตจิตเที่ยง จิตเป็นอัตตาบังคับได้รู้สึกไหมเราบังคับมันได้ อ, อยู่ได้นานเลยค่ะคือเวลาจิตมันรวมแล้วรู้สึกว่ามันสบายอะคะอ่ะเออสบายก็ไม่เป็นไรพอจิตใจไปชอบความสบายรู้ว่าชอบไปเลยน ะ, ะนี่ราคะเกิดขึ้นแล้วก็บางครั้งมันไม่รวมนะคะแต่เห็นไหมไหวไม่รวมอ่ะ<ห>อ่เห็นไหวไหวทำไมไม่รวมเพราะเห็นไหวไหวนั้นจิตมันเดินปัญญาอยู่อคนละเรื่องกันก็คือพยาไปมาแล้วพอพอว่าไม่รวมเนี่ยเราก็อยากให้มันรวมบางครั้งกไม่รวมเลย ให้รู้ว่ามีโลภะนะแล้วโทสะก็เกิดแทรกเข้ามาด้วยมันไม่รวมอย่างใจนะ<า>ไปดูกิเลสเห็นไหมภาวนาแล้วกิเลสแทรกเยอะแยะไปหมดวันไหนรวมไม่พอใจมากเลยลราคะแทรกวันไหนไม่รวมโทสะแทรกนะให้ดูตัวนี้นะให้รู้ทันกิเลส<า>ที่มันย้อมจิตเนี่ไม่ได้ภาวนาเพื่อจะให้รวมนะภาวนารวมเนี่เรียกว่ามักน้อยเกินไปอ๋อแล้วเมื่อคือนนาะคะ่ะหลวงพ่อนั่งสมาธิแล้วใช่ไหมคะ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 เพราะในขณะนั้นถ้าคุณเห็นจิตอยู่คุณจะไม่เห็นกายเป็นเรื่องปกติเช่นเห็นจิตกําลังคิดไปคิดมาอยู่เนี่ยจะไม่สนใจกายอยากให้หลวงพ่อนําดูสภาวะธรรมนิดหน่อยตอนนี้ประคองไว้นิดนึงดูออกไหมประคองให้นิ่งนิดนึงนะมัวนิดนึงดูออกไหมมีโมหะแทรกอยู่นะใจมันฟุ้งซ่านเนี่ยหัดดูไปอย่างนั้นดูเป็นละดูไปด้วยเอาคนต่อไปใก้ช็อและเอาคนนี้ หายใจไว้หายใจแรงๆเออนะเอานัการะสาทครับอาจารย์ตอนนี้ตื่นเต้นฮะใช่แล้วก็มันธรรมดา<จ>ปกติมันต้องตื่นเต้นจงใจ ม, มันตอนนี้จงใจปฏิบัติอยู่ครับเออทราถูกอ่าที่ผ่านมาปฏิบัติ ต, <laughs> ตอนนี้ตนะื่นเต้นครับเออตื่นเต้นเป็นยังไงบ้าง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 ไปดูกายบางครั้งก็ดูจิตก็เลยไม่รู้ว่าอะไรก็ได้ <c oughs> ใช้ได้ทั้งคู่แหละค่ะพัชริตเราผสมผสานมัสการหลวงพ่อนะคะถ้าถามซ้ำขอโทษด้วยนะคะเพิ่งมาครั้งแรกฟังซีดีหลวงพ่อไปสองครั้งนะคะแล้วก็ไปลองปฏิบัติดูปรากฏว่ามีความรู้สึกสนุกกับการดูจิตนะคะมันผิดไหมคะอะไรนะผิดไหมคะหลวงพ่อไม่ผิดอะคือมันคล้ายๆ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 นั่นแหละดีแล้วจิตมันวิ่งไปตามสิ่งเรานะถูกแล้วไปดูอย่างนั้นเลยบางครั้งก็คือเขาไม่หเห็เป็นไม่สนุกที่จะคุยแล้วนะรู้ทันตัวเองไปนะคบางครั้งมันก็ว่างเลยค่ะหลวงพอออ่อไม่ให้เห็นวา่วางก็ชั่วคราวไม่เป็นไรถ้าสามวันสามคืนแล้วยังวาง่างอยู่กันติดว่างใช้ไม่ได้นะขอบคุณนะคะกรา บ, บ น, นมัสการหลวงพ่อครับ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 ก็ไม่นะคะส่วนใหญ่จะเห็นพ้องต้องกันกับที่หลงพ่อเทศนะคะแล้วไงหนูมีความสงสัยค่ะขณะที่ฟังใช่ไหมคะหนูก็เห็นว่าเขาติตอะค่ะเขาทํางานคือคือเขามีภาพตามที่หลวงพ่อเทศแล้วก็มีสภาวะจริงที่เราเกิดคือเทียบเคียงสอบคล้องทําความเข้าใจไปนะคะอันนี้มีประโยคนึงที่หลวงพ่อเทศไว้ในซีดีนะคะว่า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 ก็ดูเฉยๆไม่เป็นไรแต่อย่าจงใจนะถ้ามันเห็นเองไม่เป็นไรถ้าจงใจจะเห็นไม่ดีมันก็เป็นมั่ง market market> อะครับเพราะว่ามันก็ยังเป็นของมันเองอะครับบางทีมันก็เห็นของมันเองบางทีเราก็เ้าไปดูอถ้าจงใจก็รู้ว่าจงใจครับนะความจงใจไม่ด is ีเพราะว่ามันมันมันบางทีมันคําไม่ได้อะครับเพราะว่าพอมันเห็นแล้วมันก็อยากไปสังเกตไม่ว่าใจเรามันต้องการที่พึ่งนะใช่มันวิ ana, ่งหาที่พึ่งเราไม่มีที่พึ่งนึกออกหรือยัง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 พ่อถือโอกาสนี้ขอเข้ามาหลวงพ่อด้วยที่เออนอาเขาม า, า, า, าเรียกอะไรนะโอโหสิเออ <c oughs> บางทีก็นึกศัพ์ไม่ออกอะขอบพระคุณครับคนต่อไปใครอยากขอเข้ามานะให้หมดเลยนะไม่ต้องขอทีละคนครับครับนมัสการหลวงพ่อครับหลวงพ่อเคยบอกว่าผมติดประคองนะครับผมอยากขอกลับข อ, ขอำคำแนะนําคําสัง่งยมรู้สึกม<อ>ไหมมัน เ, เปลี่ยนไปแล้วครับมันไม่ปรครองอย่างแต่ก่อน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 ภานาใช้ได้แล้วอยากขอคอแนะนําเรื่องวิหารละธรรมด้วยครับเรื่องอะไรนะวิหารละธรรมครับยมยมดูจิตได้ดูไปเลยนะดูจิตนะครับดูจิตไปเลยแต่ไม่ทิ้งกายนะคือที่หลวงพ่อบอกไม่ให้ทิ้งกายเนี่ยคือคนโดยธรรมชาตินะอายุห้าสิบขึ้นเนี่ยสมองมันเริ่มเสื่อมครัจะไปดูจิตอย่างเดียวบางทีเบลอๆไปเอากายมาช่วยพยายามรู้สึกร่างกายไหครับผมขยับนิ้วอย่างที่หลวงพ่อเคยเทศอยู่บ่อยๆได้ไหมครับขยับแบบรักจะเล่นนะ แต่ถ้าขยับแล้วอย่างนี้ไม่ได้นะแต่ว่าอย่าทำซ้ำสร้างนานยอมหางานหาอะไรทำดีกว่าครับขอบพระคุณหลวงพ่อครับดีใจด้วยนะใจมันคลายออกมาได้เยอะแล้วรู้สึกไหมใจมันทางออกมาแล้วครับนะครับนกมัสการพระอาจารย์นะครับผมก็หัดรู้หัดดูมาประมาณสักสองสามเดือนนะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยสองสามอาทิตย์นะครับมันติด มันหลงไปคิดนานนะครับเราต้องมีวิหารธรรมมีวินัยในตัวเองด้วยน ะ, ะทุกวันต้องไหวพระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมเลยแนละั้นทำสม่ําเสมอมันจะทําให้เรามีแรงไม่หลงนานนะครับมีเครื่องอยู่อย่าขอการบ้านอาจารย์นะครับไปกระตุกกระดิกไว้แล้วรู้สึกตัวของคุณตอนนี้จะไปดูจิตแล้วรู้สึกเนี่ยมันจะไปเพ่งหรือจิตจะนิ่งนิ่งไปเฉยๆพยายามรู้สึกร่างกายบ่อยๆนะครับ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 พอจิตมันถอยออกจากสมาธิเนี่ยจิตเริ่มไม่นิ่งเริ่มไม่ว่างเริ่มไม่สว่างจิตเริ่มแหว่งแปกแปลงมามีสติรู้ทันตอนที่มันเริ่มถอนออกมาตอนที่จิตเริ่มถอนออกจากสมาธิเนี่ยเป็นนาทีทองของนักปฏิบัติที่ทําสมาธิเลยนี่ส่วนมากพอจิตถอนออกจากสมาธิเราเลิกปฏิบัติไปเลยพวกนี้อับพับที่สุดเลยเสียโอกาสดังนั้นเวลาทําสมาธิพอจิตเคลื่อนออกจากสมาธิแล้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในจิตแล้วมีสติรู้ทันไปเรื่อยๆเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นก็ใช้ได้แล้ว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 กี่บนมาสการหลวงพ่ออ่ะหนูเคยเรียนเรียนหลวงพ่อแล้วค่ะว่าหนูเป็นอารมณ์แปรปรวนสองขั้วค่ะหลวงพ่อตอนเนี้ยหนูขาดสติมากเลยค่ะหลวงพ่อเพราะว่ามันง่วงค่ะแต่ว่ามันนอนไม่หลับอะค่ะหลวงพ่ออืมไปหาหมอบ้างเปล่าหาไปแล้วคือความทุกข์ทางใจเนี่ยนะมันเกิดจากเราไม่ยอมรับสิ่งที่เรากําลังเป็นอยู่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 หนูก็หาเครื่องอยู่เวลานอนไม่หลับอย่างเงี้ยค่ะก็ฟังซีดีหลวงพ่อไปเรื่อยๆเป็น m อ3มพสมทวนกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วช่วงแรกๆมันก็จะหลับค่ะแต่ว่าเคล็ดลับของการนอนหลับนะต้องสบายใจนะถ้าเราฟังซีดีแล้วก็เมื่อไหร่จะหลับเมื่อไหร่จะหลับเนี่ยเรากำลังฟังด้วยโทระไม่สบายใจไม่หลับหรอก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 ลอยไปอยู่ในกระดาษแรือปล่าคะใช่ค่ะอ้าวจบยังนมัศคารครับหลวงพ่อคืออยากจะถามว่าจะนําชานและยานไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรครับนําอะไรนะชานและยานครับชานและยานครับยานเป็นปัญญาเป็นความอย่างรู้ความจริงของกายของใจว่าเป็นไตรลักษณ์นะถ้าเรามียานทัศนะอยู่ในชีวิตเราเราก็ทุกน้อย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 สพีติโยวิวัตชนตูสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีคายยโกภวาอภิวาธนาสีลิสนิตจังุทธาปจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัทันติอายุวันโนสุขังพะลังเดือนหน้าหลวงพ่อไม่ได้มาที่นี่นะภาวนานะภาวนาอยู่กับการปฏิบัติไปแล้วชีวิตจะมีความสุข เอาอย่างหลวงพ่อนะหลวงพ่อภาวนาหลวงพ่อทั้งวันเลยตั้งแต่เป็นค า, าวาส ด, ดูของเราไปเรื่อยๆแล้วชีวิตมีความสุขจริงๆเลย